สวดมนมต์ทำวัดเช้าเราได้สาธยายธรรมะหลายประการที่ควรจากการพิจารณาอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราก็ได้สาธยายความจริงเกี่ยวกับทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าก็จำแนกมา12อาการสองอย่างเริ่มตั้งแต่ความเกิดก็เป็นทุกข์จนไปถึงว่าว่าโดยยอ อ, อุปาทานการทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์ตร์ ก, กลางเนี่ยนะ มีข้อความที่น่าพิจารณามากประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดผ้าจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นัก็เป็นทุกข์อลองพิจารณาดูนะความทุกของคนเราเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็มีถึงเจ0 0พันกว่าล้านคนไม่ต่างชาติต่างภาษา แต่ก็ความทุกข์ของมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะสามประการนี้แหละประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเจองความร้อนความหนาวความหิวโหวยโรคภยัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยความพัดพรากความล้มเหลวคำต่อว่าด่าทอ วรวมไปถึงความตายขณะเดียวกันก็ประสบความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่ก็ก็เห็นชัดอยู่นะเงินหายของหายถูกรีบรัพย์ถูกลดตำแหน่งหรือว่าถูกแย่งงานหรืออาจจะตกงานรวมทั้งคนรักร่วมหายตายจากไป ไม่ว่าคนเราเนี่ยจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไปมากมายเพียงใดกี่หมื่นกี่แสนปีนะความทุกของคนเราเนี่ยก็หนีไม่พ้นเนี่ยสองข้อเนียเป็นเรื่องหลักเลยจริงถ้ารวมข้อที่สามด้วยเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เรียกว่าทุกข์ของคน ทั้งหลายไม่ว่าอาดีตถึงปัจจุบันก็หนีไม่พ้น3ประการนี้และถ้าเรากำลังทุกอยู่ทุกวันนี้นะหรือขณะ น, นี้ลองดูเถอะนะมันก็อยู่ใน3ข้อนี้แหละด้วยเพราะ2อข้อแรกถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น หรือว่าทุกวันนี้คนเราร่ำรวยมากขึ้นนะความทุกข์กายอาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆแม้จะมีอยู่บ้างเช่นโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิดที่รักษาไม่หายแต่มันก็รบ ก, กวนพวกเราน้อยลงช่วยทำให้มีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่ว่าพูดถึงความทุกข์ใจแล้วเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะคนในยุค ป, ปัจจุบันอาจจะทุกข์ใจกว่คนสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยอาจจะมีความทุกข์ใจมากกว่าคนที่ยากจนซะอีกคนยากจนเนี่ยอาจจะเดือดร้อนเรื่องอปัจจัยสีต้องเหนื่อยอยากในการทำมาหากินอันนี้เป็นความทุกข์ทางกายแต่ อาจจะไม่ได้ทุกใจนะเหมือนอย่างคนที่มีเงินก็ไดนะ้อย่างที่เราสังเกตได้คนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายเนี่ยสัสดส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ไม่ได้อยากจนคนแค้นแล้วก็อาจจะไม่ได้เจ็บป่วยด้วยซ้าคือว่าทุกกายเนี่ยน้อยนะทุกใจเนี่ยกลับมากผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ย อันตรายนคนเรานี่มีอยู่สองอย่างอันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยก็คืออันตรายที่เห็น ง, ง่ายเห็นกันอยู่นอกตัวเราเช่นสิงสาร า, าสัตว์งูงเงียเ้ยวเขี้ยวขอผู้ร้ายรงมถึงภัยธรรมชาตินะพายุฝนหรือว่าแผ่นดินไหว โรคระบาดเนะี่นี้เรียกว่าภัยที่เปิดเผยอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ปกปิดอันนี้ก็น่ากลัวไม่น้อยก็คือความโกรธความโลภความถือตัวความอิจฉาความทยานอยากความหลงตนเนี่ยทุกวันนี้อันตรายที่เปิดเผยนะมันมีน้อยลงนะเรา สามารถจะควบคุมองการธรรมชาติได้มากขึ้นจัดสวัสดิการทำให้คนหิวโหวยน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็คุกคามน้อยลงมีการรักษาความปลอดภัยทำให้ผู้โจนผู้ร้ายลดน้อยลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้อันตรายที่ปกปิดเนี่ยมีน้อยลงเลยเพราะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลมาก แต่ว่าไปเนี่ยยิ่งสังคมเจริญมากขึ้นอันตรายที่ปกปิดเนี่ยก็ยิ่งแพร่ระบาดมากขึ้นเลือกเตียงง่ายๆเนี่ยคนเราเนี่ยพอมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือว่ามีการพัฒนาประเทศกันมากเทคโนโลยีก้าวหน้าเนี่ยเราจะมีความคาดหวังสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อย ยิ่งรวยยิ่งพัฒนาเนี่ยยิ่งมีความคาดหวังสูงแล้วเมื่อมีความคาดหวังสูงเนี่ยถ้าความคาดหวังนั้นมั น, มนไม่บรรลุนะก็จะทุกทันทีเลยคนที่คาดหวังต่าเนี่ยก็จะมีความสุขได้ง่ายกว่าคนที่คาดหวังสูงและ คนที่คาดหวังต่ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยากจนหรืออยู่ในประเทศที่ไม่พัฒนาอย่างเช่นในแอฟริกาเนี่ยเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยนะถ้าเครื่องบินล่อนสู่พื้นอย่างปลอดภยัยคนจะดีใจมากเลยตบมือเฮ hey! แต่คนในประเทศที่ร่ำรวยเพียงแค่ Wi-Fi บนเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีหรือว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยหุดหงิดละนะทั้งที่เครื่องบินลำนั้นก็ปลอดภัยสามารถจะนำพาผู้คนสู่สนามบินหรือสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยแต่คนรู้สึกเฉยเฉยนะแต่ถ้า Wifi นี่ไม่มีนะไม่แ่นไม่เร็วหนะุดหงิดละ คนสมัยก่อนนี่น ะ, ะถ้ามีกินนะมีอาหารครบสามมื้อหรือว่าวันวันใดเนี่ยได้ปลาทูมาตัวหนึ่งโอ้ดีใจนะได้ไข่มาลูกหนึ่งนะฟองหนึ่งก็มีความสุขลวแต่คนสมัยนี้นะหรือในประเทศที่ร่ำรวยเพียงแค่โทรศัพท์มือถือนี่บู ช, ชากหน่อย หรือว่าไ i f i ไม่เร็วพอเนี่ยงุดงิดละนะอันนี้พราอะไรเพราะความคาดหวังสูงเพราความคาดหวังสูงแม้แต่เรื่องเล็กน้อยนะถ้ามันไม่สมหวังไม่สมปรารถนาหรือว่าไม่สมใจนี่ก็จะโกรธนะจะไม่เป็นจะไม่พอใจหรือเป็นทุกทันทีนี่เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกแนะอย่างที่เรารู้กันนะยิ่ง รวยยิ่งเจริญยิ่งมีการศึกษามากความปรารถนาก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆและพอสูงไปพอถึงจุดหนึ่งมันมันสูงเกินความเป็นจริงไปแนละ้วเช่นปรารถนาว่าจะไม่แก่ปรารถนาจะไม่ให้พัดพลากนะขออย่าได้พัดพลาดอย่าขออย่ามีคำว่าไม่มีนะอย่างที่หลายคนเวลาทําบุญก็อธิษฐานขออย่าได้รู้จักคำว่าไม่มี หรือว่าปรารถนาว่าขอให้ร่ํารวยขอให้หนุ่มสาวขอให้มีสุขภาพดีไปตลอดอนนี้อย่างนี้เรียกว่าปรารถนาเกินความจริง เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ทุกง่ายไงเพราะว่าพอความจริงมันไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนาไอ้ความปรารถนาที่สูงเนี่ยหรือว่าความอยากเนี่ยมันก็เป็นภัยที่ปกปิดนะหรืออันตรายที่ปกปิดคืออันตรายภายใน ไอ้ตัวนี้แหลนะนาที่มันทำให้คนทุกวันนี้หรวมนั้งพวกเราเนี่ยมีความทุกข์ทุกกายอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ทุกใจมากถ้าทำงานถึงจะไม่ทุกใจนะเราก็ลดความปรารถนาให้มันน้อยลงให้มันสอยอความเป็นจริงมากขึ้นอย่างเช่นในเมื่อเรารู้ความเป็นจริงเนี่ยนะมันมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนนะ ไม่สามารถจะควบคุมบังคับเป็นไปตามใจได้สังขารร่างกายของเราถ้าถึงจุดหนึ่งมันก็แก่เหี่ยวก็เราวังชาก็ลดน้อยถอยลงเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็คาดหวังให้มันตรงกับความเป็นจริงสักหน่อยนถะ้าถึงเวลาที่มันความเป็นจริงฝ่ายลบมันแสดงตัวเราก็จะได้ไม่ทุกข์ หรือว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังความความหลงความเพลินนะมันทำให้เรามีความอยากมีความเพ้อฝันนะที่ไม่สอดคล้องความเป็นจริงพอความจริงไม่เป็นไปอย่างที่อยากทุกข์ขึ้นมาก็รู้จักทาใจการทาใจนี่ก็สำคัญนะคนสมาี้เราไม่ค่อยได้ฝึกการทาใจเท่าไหร่ เวลามีปัญหาเราก็ไปแก้ที่ภายนอกเช่นเราไม่อยากแก่เนะีเราก็ไปพึ่งพาเทคโนโลยีเครื่องประทินโฉมนะที่จะทําให้เราหนุ่มเสมอสาวนะเสมอผิวหนังตรงนั้นมันเหี่ยวมันย่นก็มีเครื่องประทินโฉมทาให้มันดูขาวดูนวล น, นะแต่งตึงบางทีก็ไปผ่าบางทีก็ไปดูด แต่ว่าทำยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างที่ปรารถนาได้จึงเกิดความทุกข์แต่เมื่อทุกข์แล้วเนี่ยเราตั้งตัวได้ตั้งสติได้เราก็ทำใจทำใจยอมรับนะอันนี้สำคัญมากเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะลดความคาดหวังของเราหรือทำความคาดหวังของเราให้ตรงกับความเป็นจริงคือก็รู้ว่า ยังไงร่างกายนี่มันก็ต้องเสื่อมไปทรัพสมบัติที่มีก็ต้องเสื่อมไปความคาดหวังของเราเมื่อเราลดนะตรงกับความเป็นจริงนะ ถ, ถึงเวลาเสื่อมถึงเวลาพัดพรากอ่ะก็ไม่ทุกข์หรือถ้าเกิดว่าอาจจะเผลอไปไปคาดหวังในสิ่งที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงสวนทางกับความเป็นจริงพอมันผิดหวังขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยก็รู้จักทำใจ คนสมัยก่อนเนี่ยเขาพึ่งผ่าเทคโนโลยียไม่ได้จะไปใช้เทคโนโลยียไปควบคุมบังคับบัญคาัญชาร่างกายสิ่งว่าล้อนี่ทำยากเครื่องประทินโฉมก็ไม่มีเทคโนโลยียที่จะผ่าเอาไขามันออกดูดไขมันออกมันก็ไม่มีนั้นเวลาเวลาแกเนี่ยเขาก็ทาใจยอมรับความจริงได้ การย้อนความจริงนี่ก็รวมทั้งการรู้จักทำใจกับเหตุการณ์ที่ไม่ชอบไม่พึงปรารถนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกเพราะว่าถ้าใจเราปฏิเสธผักสายไม่ยอมรับนี่มันทุกทันทีเลยอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยความทุกข์ใจคนเรา มันก็เกิดจากจิตที่มันดิ้นดิ้นก็ดิ้นดิ้นก็มีสองอยางดิ้นเพราะอยากได้อันนี้เรียกว่าตัณหาโดยเพราะการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาดิ้นเพราะอยากผักใสอยากให้เพ้นออกจากภาวะนั้นอราเรียกว่าภาวะตัณหาซึ่งมันก็คล้ายๆหรือใกล้เคียงกับโทสะเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบ แล้วจิตมันต่อต้านผักสายเนี่ยตรงนี้แหละนะคือสายหแห่งทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เหตุการณ์คนบางคนเจ็บป่วยนะแต่ว่าเขาไม่ทุกขนะ์นยอาจจะเป็นเพราะเขายอมรับความจริงได้เออคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บต้องป่วยหรือจะเป็นเพราะเขาคาดหวังในทางที่ต่ําก็ได้หรือเขาคิดเผื่อไว้สู ง, สง อย่างมีผู้ชายคนหนึ่งนะตัวซีดนะผอมไม่ค่อยมีเรืองมีแรงไปหาหมอหมอเห็นก็ข อ, ขอตรวจเลือดทันทีเลยตรวจแล้วลสักพักก็ให้คนไข้ามาฟังผลแต่แล้วก็หมอบอกคนไข้ว่าลุงนะลุงเป็นเบาหวานนะเพราะว่าคนไข้นี้ยิ้มเลยนะดีใจ หมองงนะหมอก็อถามว่าลุงลุงเป็นเบาหวา น, นเนี่ยต้องกินยาตลอดชีวิตนะต้องคูมอาหารไปทั้งตลอดเลยนะทำไมลุงยังยิ้มแกก็ตอบว่าก็เพราะผมคิดว่าผมจะเป็นเอทนะคิดว่าจะเป็นเอแต่พอเป็นเบาหวานนี่โอ้มันยิ้มเลยมันดีใจนะเพราะว่าเบาหวานนี่มันเบาวกว่าเอทเยอะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเพราะ เป็นพ่อใจของเรานะอะไรเกิดขึ้นกับเรามันไม่สำคัญต่อว่าใจเรานะรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรซึ่งมันก็เริ่มต้น่างว่าคาดหวังอย่างไรตั้งแต่แรกนะแล้วพอเจอแล้วเนี่ยทำใจอย่างไรยอมรับมันได้หรือว่าปฏิเสธผลักไสมันไอ้ตรงนี้แหละที่ถ้าใจไม่ยอมรับนะหรือว่ามีความคาดหวังสูงเนี่ยอันนี้เรียกว่า อันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นกับเราแล้วและที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะเราเป็นยึดมั่นถือมั่นนะนอกจากความคาดหวังที่สวนทางความเป็นจริงหรือเพราะทำใจไม่ได้แล้วเนี่ยลากเงาของมันเนี่ยคือความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องเที่ยงมันต้องสูกนะยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยไอตัวนี้แหละนะ มันเป็นร่างของความทุกข์เลยที่เราทุกข์ใจเพราะเรื่องอะไรก็แล้วแต่น่าสาไปจริงๆนะก็จะไปเจอเนี่ยเป็นพ่อความยึดมั่นถือมั่นที่จริงมันไปนยึดมั่นตั้งแต่ความคาดหวังแล้วคาดหวังอะไรก็ตามเช่นคาดหวังให้งานสำเร็จนะหรือคาดหวังให้เพื่อนมาตามนัดคาดหวังให้รถหรือเครื่องบินออกตามเวลา ความคาดหวังที่บางทีมันก็ยากที่จะที่จะเลี่ยงนะแต่ถ้าเราไปยึดมั่นกับมันมากๆเนี่ยโอกาสที่จะทุกข์ก็มีสูงนะพอสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ยึดที่คาดหวังแม้จะเป็นเรื่อล็กน้อยก็ทำให้เราหงุดหงิดหัวเสียได้เครื่องบินดีเลย์นะครึ่งชั่วโมงหรือว่าเพื่อนไม่มาตามนัดหรือว่ามาผิดนัดแค่สิบห้านาที เราก็หงุดหงิดด่าเพื่อนหรือว่าโกรธนะนะโพสต์ขอ้อความดา่าสายการบินเนะี่ยอันนี้เรียกว่าปรปยึดมั่นนะกับความคาดหวังรวมทั้งเวลาเราทุกข์เพราะมีคนมาต่อว่าเราหรือแม้แต่มีคนมาแนะนำยิงเป็นเด็กมาแนะนำเรา ซึ่งเป็นพ่อแม่หรือแนะนําหรือลูกเสร็์มาแนะนําเราเราเป็นอาจารย์นยก็รู้สึกเสียหน้านะอันนี้ก็ทุกนะเกิดความโกรธขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นเพราะไปยึดนะไปยึดภาพลักษณ์ไปยึดหน้าตาไปยึดมันในตัวกูของกูนั่นเองอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องตระหนักต้องเห็นนะว่ามันคือราก ง, ง่างของความทุกข์ใจที่แท้จริงไม่ใช่เพราะว่า เด็กมาแนะนาเราไม่ใช่เพราะมีคนมาว่าเราไม่ใช่เพราะว่าเครื่องบินมันดีเลย์หรือว่าเพื่อนมาผิดผิดนัดเนะี่ยอันนั้นคือเหตุการณ์ภายนอกซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ได้ต่สิ่งสำคัญก็คือใจของเราเนี่ยว่าเราไปคาดหวังแค่ไหนไปยึดมั่นถือมั่นไหมและสิ่งนี้เรามักจะทำไปโดยไม่รู้ตัวนะพอไม่รู้ตัวเนี่ย มันก็เลยทุกไปเรื่อยๆเพราะว่าร่า ง, งาเงาแห่งความทุกข์มันยังอยู่ท่ารการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เพื่อมาให้เรารู้นะรู้สายแห่งทุกข์สมเดพดระตถาคตศาสาจารย์องค์ปัจจุบันนะท่านพูดไว้ดีนะบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์นะคนเราเนี่ยมีหน้าที่รู้ทุกข์นะคนเรามีหน้าที่รู้ทุกข์ก็คือว่าเวลาทุกข์แล้วเนี่ยนะ เช่นทุกใจเนี่ยก็รู้ว่าใจมันทุกข์อันนี้เป็นข้อแรกเลยคนส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่แต่จานวนมากอะนะเวลาโกรธเวลาเครียดเวลาหงุดหงิดนี่ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวทั้นที่ไอความโกรธความเครียดความหงุดหงิดเนี่ยมันคืออันตรายถ้ามันเกิดขึ้นมากๆนี่ก็ทําให้เราป่วยความดันขึ้นปวดโน่นปวดนีน่ ได้ที่สำคัญคือมันเผาใจเราแต่ไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าโกรธไม่รู้ตัวว่าหงุดหงิดนะไม่รู้ตัวว่าเกิดโทสะบางทีมันมันเกิดกับเรานะเวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยหรือว่าเราปวดเมื่อยเนี่ยเช่นนั่งเนี่ยนั่งนานๆเงี้ยหลายคนจะรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยแล้วก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมา แต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าในใจมันมีความยินร้ายมันมีโทสะเกิดขึ้นด้วยเวลาถามว่าเนี่ยนั่งนานๆ น, นี่ทุกไหมเขาบอกทุกถามว่าทุกที่ไหนส่วนใหญ่ก็บอกทุกที่ขาทุกที่เท้าแต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่ใจตอนนั้นใจจึงงุนหงิดอาจจะไม่พอใจแต่ไม่เห็นอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวอันนี้เราไม่รู้ทุกนะ อาจจะรู้ทุกทางกายแต่ทุกทางใจไม่รู้ไม่สังเกตแล้วก็ไม่รู้สาเหตุของทุกข์ด้วยนะว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะอะไรทุกข์ใจเพราะไปยึดมั่นถือมั่นจิตมันไปไปยึดความปวดทางกายว่าเป็นความปวดของกูในตอนนั้นเนี่ยนะจิตมันไม่ยอมรับความเจ็บความปวดความเมื่อย อาจจะบ่นวาวาขึ้นมาว่านั่งนานแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะหยุดพูดนะเมื่อไหร่จะอนุญาตให้เราลุกขึ้นไปได้เนี่ยให้จิตที่บน่นนั้นแหะที่มันทําให้ทุกข์ใจมันปรุงมันแต่งหรือรูประกจันนะั้นคือมันเกิดความสองความมันหมายว่ากูปวดกูเมื่อยกูเปวดกูเมื่อยนะไม่ใช่ขาปวดไม่ใช่ขาเมื่อยนะแต่มันมีความรู้สึกวกูปวดกูเมือ่อยอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์เพราะยึดว่าเป็นตัวกูของกู ทวความปวดเป็นของกูทั่กวกูปวดกูปวดนะถ้าไม่ถ้าเราไม่สังเกตใจของเรานะมันจะไม่เห็นตรงเนี้ยและเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังปล่อยให้สาเหตุแห่งทุกข์หรือว่าอันตรายที่ปกปิดเนี่ยมันลอยนวลต่อไปได้แต่ถ้าเราเนี่ยมันสังเกตใจของเราเนะเช่นเรามาฝึกสติเราก็จะเห็นใจเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้น นะที่ใจแล้วก็เห็นไปจกนกระทั่งสาเหตุนะของความทุกข์ใจเช่นความคาดหวังที่สูงเกินความเป็นจริงหรือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวกวงกูหรือว่าจิตที่มันผักใสรู้สึกลบกับสิ่งต่างๆอาการพวกนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในจิตใจโดยที่เราไม่รู้นะเพราะว่าเรานะี ไม่มีสติที่จะไวพอสตินี้ก็เปลี่ยนเหมือนตาในนะตาในครูบาอาจารย์จะเปลี่ยนมันก็ตาในตานอกก็คือในตาของเราที่ทำให้เราเห็นภายนอกเห็นอันตรายที่เปิดเผยนะเห็นงูงเหี้ยวเขียวคอเห็นคนที่มุ่งร้ายประสงค์ร้ายเห็นรถที่กำลังวิ่งผ่านมาซึ่งสามารถจะชนเราได้อันนี้ก็อันตรายเหมือนกัน แต่อันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะธรรมชาติก็ให้สตินะแกเราเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเนี่ยมันมีความโกรธเกิดขึ้นที่ใจแล้วนะมันมีความเกลียดเกิดขึ้นในใจมันมีความรู้สึกผิดนะความวิตกกังวลเมื่อเห็นแล้วเนี่ยนะแค่เห็นอย่างเดียวนี่ไอ้พวกอันตรายเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้มันก็จะค่อยๆเหลือนหายไป มันเกิดขึ้นได้นะเมื่อเราเผลอสตินเนี่ยนอกจากทาหน้าที่เห็นสภาวะภายในเหนอารมณ์ต่างๆรวมทั้งความคิดแล้วเนี่ยแมย่งทำให้เรารู้ตัวด้วยมันช่วยทำให้เรารู้ตัวได้ไวพอรู้ตัวได้ไวก็เหมือนกับไฟที่มันไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันก็ดับไฟมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีออกซิเจน นะอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อเราหลงนะเราหลงคือไม่รู้ตัวพอเรารู้ตัวเพราะมีสตินะไออารมณ์พวกนี้มันก็จะดับผู้ผายไปเลยแล้วถ้าเรามีสติรู้ว่าโอ้เนี่ยที่เราโกรธนะที่เราเศร้าเพราะเรามีความคาดหวังที่มันซ่อนที่มันเรนอยู่นะเป็นเพราะเราคาดหวังแล้วไปยึดกับความคาดหวังนั้นอยากให้คนชม นะอยากให้การมันสำเร็จนะอยากให้สิ่งต่างๆเป็นแปลตามใจเราไปยึดมันเอาไว้ยึดความคาดหวังไว้หรือบางทีก็ยึดหน้ายึดตานะพอเราเห็นนะพอมีสติเห็นตรงนี้นะมันก็จะช่วยวางช่วยคลายหากว่าความทุกข์เกิดจากจิตที่มันดิ้นรนผักใสไม่ยอมรับ พอมีสติรู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะนิ่งเลยนะมันก็จะกลับเป็นปกติยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ใจที่บน่นโวยวายว่าปวดเลอเกินเมือ่อยเลอเกินเมื่อไหร่จะให้เราได้ลุกนั่งหรือว่าขยับอิริยาบดบ้างอ่าใจที่มันบน่นเนี่ยมันบ่นโดยเราไม่รู้ตัวแล้วยิ่งบน่นยิ่งทุกข์แต่พอมีสติเห็นใจที่มันบน่นนะซึ่งมันก็เป็นโทสะชนิดหนึ่ง จิตมันก็หยุดเลยนะมันหยุดบน่นหยุดปรุงแต่งกลับมาสงบเอาความสงบคืนสู่จิตใจกายยังปวดอยู่นะเท้ายังเมื่อยอยู่นะแต่ว่าใจามันสงบแล้วนะเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะแม้แต่ก่อนเราก็ ง, งุดหัวเสียนะเพราะว่าเราไปเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวแต่พอเรามีสติปุ๊บเออ แม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่สมวังไม่เป็นไปดังใจจนกระทั่งมันโมโหมันหงุดหงิดนะแต่พอมีสติปุ๊บอ่าจิตก็กลับสงบเหตุการณ์นั่นยังอยู่นะแต่ว่าใจนี่ไม่ทุกข์ลวยอมรับได้ทําใจได้ทําทใจนี่มันไม่ใช่แปลว่าต้องอดกั้นอย่างเดียวนะมันแม่แป่าต้องอดกลั้นอย่างเดียวเช่นเขาว่ามาก็โ ก, โกรธนะแต่ว่าก็อดกดกลั้นเอาไว้ ความอดกลั้นนี่เราเรียกว่าขันตินะแต่ว่ามันมีสิ่งที่เดียวขันขันตินัคือสติก็คือว่ารู้ทันความโกรธนะเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นมันเผาลงในใจสติทาให้เห็นไม่เข้าไปเป็นพอเห็นความโกรธนะเกิดขึ้นความโกรธมันก็ดับเลยเพราะว่ามันโกรธยามที่เราเผลอยามที่เราไม่มีสติเราอาจจะไม่ได้ไม่สามารถทำให้ คนทุกคนเนี่ยพูดดีกับเราได้มันก็มีบางคนที่พูดไม่ดีกับเราแต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกจิตให้ใจสงบได้ใหม่ๆเนี่ยมันมันโกรธแล้วจึงมันโกรธความโกรธเกิดขึ้นก่อนนะแต่มีสติรู้เห็นมันอ่ะมันก็ดับแต่ต่อไปเนี่ยนะพอเราถอนความยึดมัน่นถือมั่นในหน้าตาได้นะหรือว่าเราเห็นว่า อ, อคำต่อ ว, ว่าด่าทอเนี่ยมันก็เป็นธรรมดา ไม่มีใครที่หลีกพ้นจากมันได้แม้แต่พระพุทธเจ้ า, าทาดีแค่ไหนนะก็ยังมีคนค่อนแคะนินทาอย่าว่าแต่คนไม่เห็นความดีของเราเลยนะไอ้ไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นความดีของเรายังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ายังมาค่อนแคะนินทาว่าร้ายเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาใจก็ไม่ทุกข์การถือว่าเป็นธรรมดานี่เรียกปัญญานะคือการเห็นความจริง ซึ่งก็เป็นสิ่งต้องฝึกเหมือนกันนะฝึกด้วยการนะเริ่มจากการเจริญสติหรือเกิดจากการที่เราได้เห็นลาก ง, งาของความทุกข์ว่ามันเป็นเพราะไปยึดนะสิ่งต่างๆว่ามันต้องเที่ยงว่ามันต้องสุขทุกอย่างต้องราบลื่นโอเคเลิศเลอเพอร์เฟกนะอันนี้เรียกว่าไปยึดในความสุขแต่เมื่อเราเห็นว่าสิ่ ง, งต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คนชมวันนี้วันพรุ่งน้าพรุ่งนี้อาจจะด่า ก, ก็ได้ คนที่ชมเราวันนี้วันหน้าเขาอาจจะตําหนินะค่อนแค่เราก็ได้รักวันนี้วันหน้าก็อาจจะเกลียดก็ได้เมื่อเรามีปัญญาในความจริงแบบนี้ถึงเวลาที่เขาเกลียดเราเขาค่อนแค่เราาใจเราก็เป็นปกติได้แต่ว่าถึงถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นยังไม่มีปัญญารู้ทันเผลอนะก็เลยโกรธนะเมื่อเขาว่าหรือว่าเสียใจนะ เมื่อเขาคลายความรักคลายความสเสน่หาแต่ว่ามีสตินะมารับมารับมือก่อนนะเห็นความหงุดหงิดความไม่พอใจอันที่พูดมาจะสังเกตว่ามันมีเห็นอยู่สองแบบนะอันที่หนึ่งคือเห็นอารมณ์นะอันนี้เป็นงานของสติเห็นความทุกข์มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นงานสติอันที่สองเห็นความจริงอันนี้คือปัญญา ถ้าใดตาใที่ไม่มีปัญญานะที่แจ่มแจ้งเนี่ยมันยิงมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเศร้าใจเสียใจโกรธหงุดหงิดไม่พอใจแต่ก็ถ้าเราฝึกสติเอาไว้นะไ อ, ะ อ, ะอะ้ความทุกข์หรืออันตรายที่ปกปิดเหล่านี้ก็มาเล่นงานจิตใจเราไม่ได้เล่นได้ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนะการเจริญสตินะี่มันช่วยลดความทุกข์ได้เยอะช่วยทาให้ความสงบกลับคืนมาสู่จิตใจของเรา แม้ชีวิตหลอจะไม่สงบนะแม้ชีวิตหลอจะมีความวุ่นวายมีอุปรสรรคมากมายนะแต่ใจมันสงบนะอันนี้ทําได้นะไม่ใช่ว่าอชีวิตที่วุ่นวายก็แปลว่าใจเป็นทุกข์เสมอไปไม่ใช่ในทางตรงข้าบางคนชีวิตนี่ราบลื่นนะแต่ใจมันทุกขนะ์นะใจไม่สงบนะเพราะมันมันน่าเบื่อชีวิตมันเรียบเกินไปบางคนรนู้สึกเบื่อมากเลย คนในประเทศที่เจริญแล้วในชีวิตมันราบเรียบเกินไปมันคาดหวังได้ทุกอย่างอย่างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนีเน่ยเคยไปนะเคยไปเคยไปเที่ยวที่เมืองเมืองบอล น, นะเมืองหลวงเดินข้ามสะพานหนึ่งสวยมากเลยทิอ ท, ท้าย์ก็งดงานแต่ว่าแนวสะพานทั้งแนวเลยนะก็จะมีตะข่ายตะข่ายเหล็กนะขึงเอาไว้ถามว่าทําทําไม บ อ, อกกันคนโดดมาฆ่าตัวตายแต่ว่าคนโดดมาเยอะมากนะสะพานนั้นนะคงมากกว่าสะพานปิ่นเกล้านะที่คนชอบโดดลงมาฆ่าตัวตายอันนี้เรียกว่าชีวิตคราบเรียบนะเรียบเรบาบเรียบจนเบือ่อนะแล้ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมก็เลยฆ่าตัวตายชีวิตราบเรียบแต่ใจเป็นทุกข์อันนี้นะเกิดขึ้นได้เป็นไปได้แล้วเกิดขึ้นบ่อยด้วยแต่ชีวิตไม่ราบเรียบ แม้ชต่แต่แม้ว่าชุดไม่ราบเรียบส่วนใจเป็นปกตินี่ก็ยังทำได้นะไม่ใช่ว่าชุดไม่ราบในรถใจจะต้องวัววุ่นวุ่นวายไม่ยังเป็นชุดไม่ราบเรียบแต่ว่าใจเป็นปกติอาจจะมีความเจ็บความป่วยความพัดพรากถูกต่อว่าด่าทอนะแต่ว่าใจมันสงบได้เพราะว่ามีสตินะมีสตินะเวลาความวาวุ่นเกิดขึ้นในใจ มีสติเห็นนะจิตกลับมารู้สึกตัวไออารมณ์พวกนี้ก็หายไปแล้ถ้าเราฝึกสตินะอย่างต่อเนื่องเนี่ยฝึกเห็นอารมณ์เห็นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจอยู่เนืองๆมันก็จะเห็นความจริงของกายและใจแล้วความจริงของกายและใจถ้าเห็นนะอยู่เนืองๆก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นมา ช่วยทำให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างต่างไม่ยึดม่าสิ่งต่างต่างต้องเที่ยงต้องสุขต้องอยู่ในบังคับบัญชาของเราวางความยึดในตัวกูของกูลงไปได้มันก็ทำให้ให้ความทุกข์ใจเนี่ยนะไม่มีโอกาสนะที่จะเกิดขึ้นได้ทุกข์กายยังมีอยู่นะแต่ว่าทุกข์ใจมันไม่มีแล้วนะเพราะว่า มีปัญญาเห็นความจริงแล้วก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้อะไรเกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์ดังนี่แหละคือวัตถุประสงค์ของการภาวนาในพุทธศาสนานะไม่ใช่เพื่อให้ใจสงบชั่วคราวนะแต่เพื่อให้มีสติและปัญญานะที่จะเป็นตัวไถ่ถอนนะความทุกข์ออกไปจากใจหรือกอบกู้จิตออกจากความทุกข์ได้ อ่าใช่ในวันเกินี้นะ